أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلى للظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله ل م الل ل ك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا م ح م د ا ع ب د ه ورسوله อราร سله الله بالهلا ودين الحق ليوسر الدين كله ولو كله الكافرون ل ق, ق ا ع ع ال ق ل رع تعال في كتاب الكريم بعد عودة بلام الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر ولا يال الأش والشافر والوَصِ والليل إذا ي هل في ذلك قسم لذيهج สถานที่รักยิงครับกลับมาทำความเข้าใจมาทำการศึกษา คำพูดของพระอสซูบาร์ในฮัวตาลาพู้ทรงยิ่งใหญ่ในคัมภีของพระ อ, องค์ในคัมภีร์ที่โร่งให้การรับรองว่าจะไม่มีการถูกเปลี่ยนแปลงใดทั้งสิ้นคัมภีร์ที่เป็นทางนําให้กับมนุษยชาติทั้งหลายในสุลตัลอัลฟัชพรสซูหาร์ฮัวต า, านั้นพระองค์ได้ทําการสาบานถึง4อย่างด้วยกันวันฟัชพระองค์นั้นขอสาบานในเวลารุงงร่งอรุณหรือว่ายามเช้านะครับ เวลาลีดอัชแล้วก็ขอสาบานกับข้าคืนทั้ง10วัชชฟิวัลวัชแล้วก็ทั้งคู่แล้วก็ทั้งขี้ซึ่งประเด็นมากมายที่เราพูดคุยกันไปแล้ววันลลีดอัชแล้วขอสาบานกับยามค่ําคืนเวลาที่มันนั้นค่อยๆที่จะย่างกายเข้ามาในการสาบานของพู้ลอสุบฮานะฮูอัตตอัลลทั้งหลายที่เราพบในอัลกุรอานครับล้วนแต่เป็นคําสาบานเป็นการสาบานถึงสิ่งที่ยังประโยชน์ให้กับผู้ศรัทธา เป็นสิ่งที่เมื่อผู้ศรัทธาได้ไข้ครัวแล้วเขาจึงมีอม م า ن ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็นสิ่งที่มันจะเป็นความรู้ให้กับพวกเราแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่มีสติปัญญาใดปฏิเสธได้ไม่มีผู้ที่มีสติปัญญาใดสามารถปฏิเสธได้เพราะการระยะที่เาไว้ไงครับฮัลฟีดะลิกะกัสมุลลิดิฮิ ในการสาบานดังกล่าวทั้ง4ี่เรื่องทั้งเรื่องของตอนเช้าทั้งเรื่องของค่าคืนทั้ง10ทั้งเรื่องของสิ่งที่พระเจ้าสร้างมาเป็นคู่เป็นขี่หรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นคู่แล้วเป็นขี่แล้วก็ยามกลางคืนเมื่อมันมาปกคุมเริ่มด้วยกับเช้าจบด้วยยามกลางคืนระหว่างนั้นก็เป็นค่าคืนทั้ง10แล้วก็สิ่งทีระองค์สร้างควราะบอกว่าในการสาบานเหล่านั้นเนี่ย哈利ฟีไดลีกกัสส์ในการสาบานเหล่านั้นเนี่ยลีวี มันไม่ใช่สิ่งที่ผู้ที่มีสติปัญญาเนี่ยล้วนต้องยอมรับกระ น, นั้นเลยสำนวนวักนี้ครับไพรีดายกคอสสมลีดีฮิในการแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยถือว่ายากมากถือว่ายากมากผมอยากใช้คำว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแปลเป็นภาษาไทยให้ถอดความตามความหมายอย่างแท้จริงทั้งในเรื่องของความงดงามทั้งในเรื่องของความหมายทั้งหมดที่สื่อ เร า, าพยายามทําการศึกษาเท่าที่เราจะเข้าใจแล้วก็อินชาลอฮ์ครับขอดได้าจากผู้รัสบานตาให้อัลกุรอานนั้นเป็นแก้วตาดวงใจของพวกเราให้เป็นสิ่งที่เพิ่มอิมานให้กับเราเป็นสิ่งที่ลดความโศกเศร้าความหวาดกลัวของพวกเราแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นมีความชัดเจนในชีวิตของเราแล้วก็มีจุดยืนที่มั่นคงยิ่งขึ้นครับฮัลฟีเดลิก้ก็สมุนลีิฮิถ้าสังเกตดูนะครับในยัลกุรอานนี้มีประเด็นที่อยากจะชวนคุยกับพี่น้องในหลายประเด็นเลยทีเดียว ประเด็นที่บอกว่าให้ฟีดาลิกาในสนมมติที่เป็นคําถามเนี่ยเวลาที่พวกลอสซูบฮานุวตาถามคําถามใดก็ตามในอัลกุรอานตามปกติแล้วจะไม่ใช่คําถามที่พวก ต, ต้องการให้เราตอบไม่ใช่ให้เราตอบว่าเอาใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเรามานั่งคิดว่าเอฟมันต้องตอบว่ายังไงแต่เป็นคําถามที่ชวนให้เรานั้นได้สติมีสติให้เราได้คุ้นคิดให้เราได้ใไขคิดว่าเนี่ยชีวิตของเราเนี่ย วันแล้ววันเล่าที่ผ่านไปคืนแล้วคืนเล่าที่ผ่านไปบางทีถ้าเกิดนับเป็นอาทิตย์แล้วอาทิตย์เล่าสิ ว, สวันแล้วสิวันเล่าที่ผ่านไปเนี่ยเราได้ประโยชน์จากรุ่งเช้าเวลาที่เข้ามาเจอเราเนี่ยได้ประโยชน์ด้านอะไบ้างเราได้ประโยชน์เฉพาะดุนยาหรือได้ประโยชน์ถึงอเคียร์เช่นเดียวกับยามค่ําคืนเวลาตอนค่ามาถึงเวลาที่เราจะพักผ่อนถึงเวลาที่เราอยากสบายทุกค่ําคืนที่มันผ่านผ่านมาตลอดชีวิตของเราเนี่ยเป็นค่ําคืนที่ผ่านไปแล้วเราได้ประโยชน์อะไรบ้าง หรือเราไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยหรือเราได้ประโยชน์แค่ในดุนยาแล้วมันก็จบแค่ดุนยาให้ฟีเดลิก้าก็สมุนลีดิเฮชเช่นเดียวกันกับสิ่งที่พวงล้ถสร้างมาเป็นขี้แล้วก็เป็นคู่ทุกอย่างเมื่อเป็นขี้สามารถเป็นคู่ได้ทุกอย่างเป็นคู่ก็สามารถเป็นขี้ได้คนหนึ่งคนก็เป็นขี้คนสองคนมาเจอกันรวมกันมาอยู่ด้วยกันก็เป็นคู่จากคู่ก็เป็นขี้ก็คือ1คู่ของแล้วหลังจากนั้นก็มีลูกมีหลานมีสืบทอดมา เพราะนั้นจากคู่จากขี้จากขี้ไปคู่มันก็มาเรื่อยๆ เ, เหมือนกับชีวิตผู้ศรัทธาในวันคืนที่ผันผ่านไปชีวิตผู้ศรัทธานั้นเราปิดช่วงเช้าหรือว่าปิดช่วงของวันเนี่ยด้วยกับขี้ที่เป็นวายิบแล้วก็ปิดท้ายตอนกลางคืนด้วยกับขี้ที่เป็นสุนะตอนกลางวันแล้วจบด้วยกับอะไรครับขี้คืนละหมาดมักริบามลักะแล้วจบวันด้วยกับขี้ ซึ่งเป็นฟัดดูซึ่งเป็นวายิบหลังจากนั้นแหละครับตอนกลางคืนเราจบกลางคืนด้วยกับวิตเตร์ละมาสุณะวิตรซึ่งก็เป็นขี้เช่นเดียวกันแล้วขี้ที่ว่านั้นก็เป็นซุนนะก็แปลว่าเราจบวันนึ่งสำหรับผู้สัตวทาที่แท้จริงเราต้องจบด้วยกับสิ่งที่เป็นฟัดดูกับสิ่งที่เป็นซุนนะซึ่งอย่างที่เราทราบท่านอนับดุลโมมัสลลอยระซามบอกว่าไม่มีอะไรที่ข้าเกิดนาให้กับบ่าวของข้าที่ข้าจะรักยิ่งไปกว่าฟัดดู แล้วก็บ่าวคนหนึ่งจะทำความดีที่เป็นสุนนะทำจนกระทั่งค่านั้นรักเขาแปลว่าในแต่และ ว, วันของผู้ศรัท ธ, ธานะั้นจะเป็นวันที่เพิ่มไปด้วยความรักของผู้รอสุบฮาหนหัวดตอาอลาที่มีต่อเราเมื่อโพเรสสาบานกับสิ่อย่างนี้วกเราได้ถามพวกเราทุกคนเขาว่าให้ฟีดาลิกัสเซมุลหรือดีในการสาบานดังกล่าวเนี่ยมีผู้มีสติปัญญาใดอีกบ้างละ่ะที่เขาจะสามารถที่เขาจะปฏิเสธมัน ที่เขาจะบอกว่ามันไม่มีประโยชน์ที่เขาจะบอกว่ามันนั้นไม่ได้ยังประโยชน์อะไรกับเขาพี่น้องสังเกตดูอะไกุรานครับคำทุกคําที่พูดเลาะใช้นั้นงดงามและมีความหมายพี่น้องบางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมใช้คําว่าลีดีฮิจรินฮิจรคือฮิจิรกับอักรุลเนี่ยแปลเหมือนกันอักรุนภาษาอาหรับอย่างที่หลายท่านทราบอักรุลแปลว่าสติปัญญาแต่ในกุรานอาย่านี้พูดเลาใช้คําว่ามันไม่ใช่ ประเด็นมันไม่ได้มีสาระให้กับผู้ที่มีสติปัญญากันนั้นหรือแต่พวดง่าใช้คําว่าลีดีฮเจรินแม้แต่ที่พวิจารณพูดในวักนี้มันก็มีประเด็นให้เราต้องมาไขขวนครับพี่น้องเพราะอะไรครับพราะเราใช้คำว่าลีดีฮเจอรินหรือว่าฮเจรุนหรือว่าฮเจอร์ล็อ er เนี่ยครับพี่น้องในวนันนีก็มีสาระไฮเจอร์ล็อตที่แปลว่าห้องหับใช่ไหมครับไฮเจรุนแปลว่าอะไรใช้คํานี้จะสื่อมากกว่าคําว่าอักรุนผู้ที่มีฮเจริน ผู้ที่มีฮิจจิตฮิจจิตแปลตรงตัวก็คือห้ามมัณอนุนสิ่งที่ห้ามสิ่งที่ไม่สามารถทําให้ออกไปจากเส้นทางอื่นได้ฮิจจุุนเนี่ยนะักภาษาเห็นพ้องต้องกันว่าฮิจจุุนกับอักรุลสิปัญญาของคนเหมือนกันทําไมอักรุลถึงถูกใช้เรียกสติปัญญาของคนอักรุลในภาษาอับเนี่ยมาจากคาว่าอีก้อนอีก้อนอีก้อนพี่น้องเคยสังเกตไหมครับชาวอาหรับเนี่ยเวลาเขามีผ้าชีมารกเนี่ยเขาจะมีเส้นสีดําๆเนี่ยคาด ทับไว้บนสีสะทําไมเขาต้องคาดครับที่เขาต้องคาดนั้นเพื่อไม่ให้ผ้ามันไปไหนให้มันยึดอยู่กับที่ซึ่งอีก่อนเนี่ยในอดีตเนี่ยก็ถูกเอามาใช้ลัชที่เขาของอูดเวลาที่จะทําการเชิอดอูดลัชไว้เพื่อไม่ให้มันเคลื่อนไปไหนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสติปัญญาของมนุษย์อักกัลุนหรือสติปัญญาของมนุษย์นั้นคือสิ่งที่ทําให้มนุษย์นั้นไม่ทําให้เจองพบกับพายนะถูกไหมครับ ป้องกันตัวเองไว้ทำให้ตัวเองนั้นอยู่ในที่ที่ปลอดภัยทำให้เรานั้นไม่ไปรนหาที่ทำให้เรานั้นไม่ไปยุ่งกับอะไรที่มันจะเป็นอันตรายที่จะทำร้ายตัวเราทำให้เรานั้นปลอดภัยจากเพียงอันตรายต่างๆนี่คือสิ่งที่ถูกเรียกว่าอักลุน ห, หรือว่าสติปัญญาครับพี่น้องเพื่นรักนี่คืออักลุนเพราะนั้นภาษาหรับจึงเรียกสติปัญญาของมว่าอักลุน แต่ในยักุรานี้พุทธชกาวาลีวีให้จรินแต่ผู้ที่เขานั้นมีใหจรินสิ่งที่เป็นสิ่งที่ห้ามเขาเพราะคาว่าใหจรินเนี่ยจะให้ความหมายถึงการห้ามที่มากกว่าแม้ถ้าจะบอกแย่อาจารย์อย่างพุจรอดละ่ะที่มาที่ไปมาอย่างไรพุจรอก็คือห้องหบับถูกไหมครับห้องหับก็คือสิ่งที่ป้องกันคนคนนึงจากอันตรายที่อยู่ข้างนอกบ้านถูกไหมครับป้องกันฝนป้องกันแดดป้องกันลมถ้าใครจะมาทําอันตรายก็ต้องบุกห้องเข้ามาก่อนเพราะฉะนั้นฮิจรุลคือสิ่งที่ป้องกันคนคนหนึ่ง ประเนี่นี่พวกเล่าบอกพวกไงครับพวกเลาบอกให้เรารู้ว่าสิ่งที่ทําให้มนุษย์นั้นรอดพ้นจากอันตรายคือปัญญาของเขาถูกไหมครับถ้าคนที่มีปัญญาเนี่ยอยู่ในช่วงคขับขันแค่ไหนอินชาลอัลลอฮ์ด้วยความเมตตาของพวกเราเขาก็จะผ่านมันไปได้แต่ปัญญาที่แท้จริงที่ถูกเรียกว่าฮิจจินเนี่ยที่ไม่ใช่ว่าอักรุนเฉยๆเนี่ยถ้าเป็นฮิจจินที่สมบูรณ์ก็คือต้องป้องกันเขาให้รอดพ้นอย่างแท้จริงทั้งในดุนยาแล้วก็อาคีร์ มันหมายความว่าไงครับพี่น้องที่รักยิ่มันหมายความว่าต่อให้ใครก็ตามดูเราดูเหมือนเขาจะเป็นคนที่เฉลียวฉลาดมีสติ ป, ปัญญาเขาจะเป็นของเบงเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่ในเรื่องของสามก๊กหรือจะเป็นใครในประวัติศาสตร์ที่ว่าเฉลียวฉลาดจะเป็นโทมัส อ, อัลวัยดิสันผู้ที่ผลิตสิ่งที่แบบผลิตอย่างมากมายหรือจะเป็นคนยุคปัจจุบัน ที่เขาผลิตรถจะเป็นยี่ห้อของอะไรก็ตามจะเป็นเทส la จะเป็นมือถือ iPhone ที่เราดูเหมือนเขาน่าจะมีสติปัญญาเขาน่าจะมีความคิดหรือคนที่เวลาพูดปุ๊บมีแต่คําคมมีแต่พูดแต่รู้สึกว่าเขานั้นฉลียวฉลาดต่ใดก็ตามที่เขาไม่รู้จักตัวลอสซูบาฮันหัวตาเราไม่ถือว่าเขาเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่สมบูรณ์เพราะอะไรครับเพราะความคิดของเขาไม่ได้ห้ามเขาให้รอดพ้นจากการถูกลงโทษในไฟนารบ เพรความคิดของเขามันจบแค่ดุลย์ทําไมผมถึงพูดอย่างนี้ครับทําไมผมถึงพูดอย่างนี้พี่น้องใิสุรนาซีอะตว่าอา ม, ม่ามันค้ฟะมักา ม, มารอบบีฮีวานะฮันนับเส้นิลฮาวะฟ้อินนัลเจนนตาฮิลมาว่วาแปลงง่ายครับแล้วใครก็ตามที่เขากลัวจุดยืนสถานะของผู้ยิบาลของเขาแล้วเขาห้ามใจตัวเองจากอารมณ์ต่างๆสวรรค์นั้นจะเป็นที่พํานักของเขา ในขณะที่เนสเรลมุลประกาว่าไงครั บ, ir, uh รรบว่ากล่าวว่าเราคุนัสัมผัสรอาจะนำลาเราุณนั้นจะสัมผัสห ร, รือ ว, ว่าะนำกลาวว่ญญาเนัจะสมผัสหรือว่าจะากล่าวว่ารราคุณนั้นจะสัมผัสหรือว่าะนำกล่า่าเราันจะสัมราะกล่าวเราคนั้นจะสัมหรือว่าดะนก่าววเราคุณนั้นจะสัมผัหรือาจะนำก่าวว่าเราคุณนั้นจะสัมผัสหรือว่าจะาานำกล่าววาเรานามมาา้นาจะผลิตอะนรมากมายแค่ไหนก็ตาม ถึงเวลาครับในอาคีรอเขาจะพูดประโยคเดียวกันว่าไงครับพวกเขาเหล่านั้นจะพูดว่า <S <s <up>. <S เรากุนานัสมาอูอานะกีรูหากเราได้ฟังหรือหากเราได้ใช้สติปัญญาของเราหากเรามีสติปัญญาในกุรานชาวนรคูดอย่างนี้แหละครับว่าหากเราได้ฟังหรือหากเรามีปัญญาสักหน่อยเนี่ยเราคงจะไม่ได้มาอยู่เป็นชาวนานรกนี้ วาแล้เราฟูบีดัมบหิมแล้วพวกเขาก็จะยอมรับในบิดความผิดบาปต่างๆของเขาฟขอดซุกอริ อ, อสรัสาบิศัยซึ่งแน่นอนครับน่าอภัยยิ่งแก่บรรดาผู้ที่เป็นช า, นาลนรกก็ขอพวกวัสสุบาตรัคุ้มคองพวกเราทุกคนให้รอดพ้นจากการบิช า, าลมนรกอักคุลุนหรือว่าฮิตจุลุนนะครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับมนุษย์ทําไมพวกเราเทมุทมีอักคุลุนล่ะครับทำไมพวกเร า, า เ, มมเรท ม, เาาเมุษย์เรามีสติปัญญา นั่นไม่ใช่เพื่อให้เรารอดพ้นแค่ในดุนยาแล้วพี่น้องแต่เพื่อให้เรานั้นได้รอดพ้นในอาเชรอ้ด้วยเพื่อให้สติปัญญาเนี่ยเป็นตัวระงับใจเราไม่ให้ไปทําสิ่งที่ฮารอมเพื่อให้สติปัญญาเนี่ยเป็นตัวระงับเราไม่ไปทําสิ่งที่ฝ่าฝืนตออรอเพื่อให้สติปัญญาเนี่ยส่งเสริมเราให้เราทําสิ่งที่ต้องทําถ้าคนที่มีปัญญาเขาจะคิดได้อันนี้คือสิ่งดีๆที่เขาควรทํา อันนี้คือสิ่งไม่ดีที่เขาต้องไม่ทำอันนี้คือผู้ที่มีปัญญานี่คือ the h i j r i n ที่พระลอสสุบาตรากาวในกุรานซึ่งอัลกุรานงดงามมากครับแล้วอย่างที่ผมพูดเป็นประจำก็คือเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะถอดความหมายกุรานมาอย่างครบถ้วนอย่างที่พี่น้องสังเกตเห็นครับหลายๆอายกุรานถ้าเกิดพี่น้องไปฟังนักนักตักซีกนนักอาาธิบายเนี่ยบางยกกุรานเนี่ยคุยกันเป็นวันไม่จบ มีประเด็นให้ได้พูดคุยมีประเด็นให้ศึกษามีประเด็นที่ให้เรานั้นได้มีสติปัญญาในเรื่องราวต่างๆที่พ่อละซุปฮาห์นูร์ตานั้นได้บอกให้กับเราแล้วก็มีมากมายมหาศาลเหลือเกินที่พวกเรานั้นไม่รู้พี่น้องที่รักยิ่งครับอย่างที่ผมบอกไม่ว่าใครก็ตามที่มีสติปัญญามากมายแค่ไหนที่ยังประโยชน์แค่ในกับเขาในดุนยาในอาาะเพราะถ้ามันไม่ยังประโยชน์กับเขาเราถือว่าเขามีแค่ เปลือกนอกที่กวงข้างในเหมือนกับที่พ่ากล่าวนี่ก่อนครับยาแอลมูเน่โรฮิลมมีนลฮายาติดดุลยาบะฮุมอันิลอากราติฮุมกอฟิลุนในสโะรูมพราะกล่าวไงครับพวกเขาเหล่านั้นผู้ไปเสสัทธาผู้ที่เราดูเหมือนกับพวกเขาจะมีความฉเฉลียวฉลาดพวกเขาจะคิดประดิษฐ์อะไรได้บ้างมามหาศาลพระว่าบอกไงครับพวกเขารู้แต่เพียงเปลือกนอกของดุลยาสุบานะล้อพุณล้อใช่คาว่าเปลือกนอกของดุลยาหรือว่าภายนอกของดุลยา พวกเราบอกผู้ศรัทธาให้รู้ว่าไงครดุลยามีทั้งภายนอกแล้วก็ภายในภายนอกคืออะไรภายนอกคือสิ่งสวยงามภายนอกคือสิ่งที่เราไปใช้ประโยชน์ภายนอกคืออาจจะเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายนี่คือภายนอกของดุลยาแต่ถ้าภายในของดุลยาคืออะไรท่านอะบีมุฮัมมัดสังรอห์สัมพูดไว้ชัดเจนครับว่าอัต ด, ดุลยามาละอูเนตุนมาลอูเนตุนมาฟีฮะภายในที่แท้จริงของดุลยาทั้งหมดนั้นถูกสาบแช่งซุบานังล้อ นี่คือภายในของดุนยาซึ่งผู้ที่มีสติปัญญาอย่างแท้จริงเท่านั้นที่เขาจะมองเห็นทําไมดุนยาถึงถูกสาบแช่งที่ดุนยาถูกสาบแช่งเพราะว่าใครก็ตามที่อยู่บนดุนยาจะไม่จากไม่อยากจากมันไปใครก็ตามที่อยู่บนดุนยาที่อยู่ในดุนยาเขาจะคิดแต่เรื่องของดุนยาเขาจะลืมเรื่องอาเคระเพราะนั้นมีอะไรที่ควรจะถูกสาบแช่งมากกว่าดุนยาหรือพี่น้อง เป้าหมายหลักของผู้ศรัทธาคืออาเคีย ร, ร์ะถูกไหมครับเราต้องไม่ลืมและต้องตั้งเป้าไว้ว่ามันคือสิ่งที่เราต้องพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้รอดพในอาเคียร์รแต่พอเราอยู่ในดุนยาปุ๊บสิ่งต่างๆในชีวิตของเราเนี่ยมันมาทําให้เรานั้นยุ่งกับมันยุ่งกับดุนยาทั้งเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของลูกหลานในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของการพักผ่อนสารพัดเรื่องราวของดุนยาที่ดูภายนอกสวยงามภายนอก น่าหลงไหลแต่ภายในข้อเท็จจริงที่ท่านอบีม mm ูฮัมมัดสลองลอฮ์อวยสลามได้เตือนพวกเราทุกคนเอาไว้มันคือสัตธรรมที่ถูกสาบแช่งมันคือสิ่งที่ถูกสาบแช่งนอกจากผู้ที่เขาคิดถึงอลัลลอฮ์ได้นอกจากผู้ที่สอนผู้อื่นให้เขารู้ว่าข้อเท็จจริงของดุลยาและอะคิระห์คืออะไรนอกจากผู้ที่เขาศึกษาอย่างแท้จริงแล้วก็ทุ่มเทชีวิตเพื่อที่จะได้รู้อย่างแท้จริงว่าตกลงดุลยาคืออะไรแล้วก็อะคิระห์คืออะไร เวลาพี่น้องที่รักจากแอคูลาณทั้งหมดที่ว่ามาเราก็จะเราพูดคุยกันเนี่ยให้ฟีได้ก็ขอเมมูดีๆใสิ่งที่พ่อลอสสุบฮานุตราหนึ่งในสิ่งที่องค์อยากให้เราได้ไขว่ควรความหมายของคําว่าสติปัญญาเรามีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อเอาตัวรอดในดุนยามีไว้เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ในดุนยาหรือมีไว้เพื่ออะไรสติปัญญาที่แท้จริงมันต้องเป็นสิ่งที่ห้ามเราไม่ให้ไปเจอหหยะนะในทุกรูปแบบได้ นี่คือความหมายที่แท้จริงของ H หรืออารกลุมครับผมยกตัวอย่างพี่น้องผมจะยกตัวอย่างเมื่อกี้ในห้องกระานพวกเราที่ผมยกให้เราฟังในสตอเรจรูมพวกเราบอกว่าไงนะครับพวกเขาจะรู้ในภายนอกของโลกุณ ญ, ญาในขณะที่พวกเขานั้นหลงลืมถึงเรื่องอาร์เคโรย์ยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังอย่างนี้แล้วกันพี่น้องลองเปรียบเทียบเอาตัวของพวกเราเนะี่ยเหมือนกับคนสองคนพี่น้องแล้วพี่น้องมาดูว่าเราเป็นใครอยู่ตอนนี้ เราเป็นใครอยู่ตอนนี้ไม่ต้องว่าเราเชื่อว่าเราเป็นใครหรือเราคิดว่าเราเป็นยังไงเอาข้อแท้จริงมาคุยกันผมอยากยกตัวอย่างให้พี่น้องถึงคนสองคนคนสองคนเนี่ยเขากำลังจะเดินทางไปที่ที่หนึ่งอ่าสมมติว่าอยู่เชียงใหม่ทั้งคู่อยู่เชียงใหม่และกำลังจะไปกรุงเทพเขาจะไปกรุงเทพโดยที่เขาก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเมื่อไปกรุงเทพเนี่ยเขาจะไปอาศัยอยู่นั้นตลอดจะไปสร้างบ้านจะอยู่ถาวรจะไปแบบมีความสุขจะไปหล่นร้จะไปอะไรให้เต็มที่เลย อยู่เชียงใหม่ก็าอาจจะมีความทุกข์สมมุติผมยกตัวอยา่างสองคนนี้ได้เดินทางครับพี่น้องพอเดินทางระหว่างทางปุ๊บเขาก็แวะแวะพักอยู่ที่หนึ่งทําไมต้องแวะพักครับเพราะเขารู้ว่าก่อนจะไปกรุงเทพเนี่ยเขาต้องเตรียมอะไรก่อนให้พร้อมก่อนที่จะไปกรุงเทพคนแรกเนี่ยพอไปถึงที่จุดพักปุ๊บเขาก็พยายามเตรียมของที่เขาคิดว่าเขาจะไปต้องใช้ตอนที่อยู่กรุงเทพเสร็จปุ๊บเขาก็หลับ เขาก็พักผ่อนเพื่อเอาแรงเพื่อจะได้มีแรงเขาก็พักผ่อนสบายในขณะที่คนนะครับคนที่สองเนี่ยมาด้วยกันเนี่ยพอมาถึงที่จุดพักปุ๊บเขาไม่ได้คิดว่าเขาต้องเตรียมว่าอะไรบ้างที่เขาต้องใช้ที่กรุงเทพแต่เขารู้สึกว่าเออที่พักที่นี่อย่มันไม่ค่อยสบายเลยนะเขาไปหาซื้อที่นอนมาพี่น้องเอาที่นอนมาตั้งเขาไปหาซื้อเตียงมาตั้งเขาไปหาซื้อลมเขาไปหาซื้อเต็นท์ เขาไปหาอาหารเขาไปหาซื้อของไปหาอะไรสารพัดเตรียมของไว้เยอะแยะมากเลยเพื่อที่เขาจะได้อยู่ในจุดพักของเขาเนี่ยเตรียมเตรียมเตรียมเตรียมเตรียมเตรียมเตรียมจนเมื่อเขาเตรียมระหว่างที่เขากําลังเตรียมอยู่ได้เวลาเดินทางต่อเตรียมยังไม่เสร็จเลยกําลังเตรียมอยู่กำลังนวดอยู่กับการเตรียมอันนั้นก็ต้องมีอันนี้ก็ต้องมีถ้าฉันจะพักอยู่ตรงเนี่ยฉันต้องใช้อันนั้นฉันต้องใช้นี่ฉันต้องใช้หลายๆลอย่างนวนกับการเตรียมแต่ถึงเวลาปุ๊บ ต้องรีบเดินทางต่อนี่คือพวกเราในดุนยาแล้วพอถึงเวลาไปกรุงเทพพี่น้องว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับคนแรกพักผ่อนสบายแล้วพอเขาต้องเดินทางต่อเขาพร้อมครับเขาพักมาตลอดแล้วเขาแบบมีเลี่ยวมีแรงเต็มที่แล้วพอถึงเป้าหมายครับเขามีของพร้อมแล้วเขาเตรียมของครบแล้วที่จะไปอยู่อย่างมีความสุขในกรุงเทพในขณะที่คนที่สองพี่น้องคิดว่าเขาเป็นยังไง เขามัวแต่เตรียมว่าที่ที่พักของเขาเนี่ยที่เขาพักชั่วคราวเนี่ยเขาจะต้องมีอะไรบ้างแล้วเขาก็ง่วนอยู่กับมันวุ่นอยู่กับมันยุ่งอยู่กับมันจนเขาลืมไม่ทันได้เตรียมของที่เขาจะต้องไปอยู่ที่ที่กรุงเทพที่เป้าหมายของเขาที่ที่เขาจะไปเขาก็ไม่ได้เตรียมอะไรไอ้ที่ที่เขายุ่งอยู่กับมันเนี่ยเขาก็ไม่ได้พักผ่อนขาดทุนทั้งสองที่เลยไหม เป้าหมายที่เขาจะไปเขาก็ขาดทุนไอ้ที่ที่เขามาแวะอยู่เนี่ยเขาก็ขาดทุนเพราะเขาไม่ได้พักก่อนอะไรเหมือนกับพวกเรามพี่น้องผมพูดเตือนให้พวกเราเตรวจสอบตัวอเองเหมือนกับพวกเราไหมเป้าหมายเราชัดเจนคลอดมาจากท้องแม่เรียบร้อยแล้วเรามาอยู่ในดุนยาละทุกคนมาอยู่ในดุนยาเรารู้ว่าไงครับเป้าหมายเราชัดเจนน ะ, อะเอเคโร เราต้องเตรียมอะไรก็ตามไปไอชื้อพ้ออะไรครับไอชื้อคือตลอดการเราไอยู่ตลอดการนี่ดุนยาเรามามันทรมานมันเจ็บปวดมันอะไรมันก็แข่นั้นมันก็แขวดุนยาเดี๋ยวมันก็จบพี่น้องถามใจตัวเองเราเป็นใครระหว่างสองคนนี้ระหว่างคนแรกที่ว่าโอเคพอเราอยู่ที่พักใช่ไหมที่พักยังไงช่างมาเถอดอยู่เท่าที่อยู่ได้ก็พอเราต้องเตรียมให้พร้อมที่สุดสําหรับเป้าหมายสุดท้ายที่เราจะไปแล้วถ้ามีเวลาพักจากดุนยาได้เราก็จะพักก่อนเลย ไม่จําเป็นต้องฝูงเฟอไม่จําเป็นต้องไปแข่งอะไรกับใครเราทําส่วนขอยดีที่สุดถึงเวลาเราตายปุ๊บพร้อมไปพบอัลลอฮ์ทาไมเราถึงพร้อมไปพบกับพู้อัลลอฮ์สุบฮานูอัลตลาเพราะเราพบกับผู้อัลลอฮ์ตลอดเวลาแล้วใน dunya ตอนเราละหมาดแล้วก็มีความสุขที่เราเจอพู้อัลลอฮ์เราได้ละหมาดเรามีความสุขแล้วสุกใจเราสงบเวลาถึงเวลาเราดูอาเราก็มีความสงบแล้วก็มีความสุขเพราะเราได้พบเจอกับพู้อัลลอฮ์ ต้องคนประเภทนี้เท่านั้นครับคนที่มีความสุขที่ได้พบกับพวกเราในดุนยาเท่านั้นที่เขาพร้อมที่จะไปพบกับพวกเราในวันอ า, ค, าคิระอนมีแค่คนกลุ่มนี้เท่านั้นพี่น้องหรือว่าพวกเราเป็นกลุ่มที่สองเรารู้ว่าอาคิร้อนเราต้องไปเราต้องเตรียมสเสบียงแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็รู้สึกว่ามันต้องเอาอะไรกิบดบุญญาหน่อยเรากําลังไปหาเตียงหาบ้านหาอะไรมาอยู่ในที่ที่เรากำลังพักอย่างนี้ใช่ไหม เรากำลังวุ่นอยู่กับดุนยาใช่ไหมเรากำลั ง, งน่วงกับดุนยาใช่ไหมดุนยากําลังมาทําลายชีวิตอาคิเราะของเราอยู่ใช่หรือเปล่าเราเป็นใครระหว่างคนสองคนที่กําลังเดินทางนี้คนที่เตรียมพร้อมไปสู่จุดหมายหรือคนที่เขายัางไม่พร้อมแม้ที่ที่เขากําลังจะอยู่คําตอบคือพฤติกรรมที่พวกเราทุกคนต้องทํานั่นคือสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องเลือกแล้วนั่นคือสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องไปตอบกับพวัวลสซุปปาฮานู ว่ต่อะไราครับผ ม, ผมช่วยพี่น้องไม่ได้แล้วพี่น้องก็ไม่มีใครช่วยผมได้เราต่างต้องช่วยเหลือกันและกันในดุนยาแต่เมื่อถึงอาคิรับปุ๊บจบแล้วถึงอาคิรับปุ๊บใครทําอย่างไรเขาจะได้รับในสิ่งนั้นนี่คือสิ่งที่พรบอกกล่าวครับพันฟีเดลกากอสมุลีิฮิในวรกนี้เป็นวรกที่มีความหมายที่หนักมากพี่น้องพวกล้อสาบานเราอาจจะรู้สึกว่าแค่สอย่ญญางบางส่วนสาบานเยอะกว่านี้อีก แต่สุร้อนี้ใอย่างคือทั้งหมดทั้งชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเจอวนเวียนอยู่ในสีอย่างนี้ฮัพี่น้องที่รักเรื่องของสี่ปัญญาพเพราะกล่าวว่ายางไรครั บ, ร บ, บนะฮุมวะช น, มมนุ่เดรมพินุม ร, ร, ร “ثم لناحن أعلم بالذينهم أولى بها صليا، وإمّنكم إلا وادلها كان على ربك حتماً مقديا. ثم نجِل لدي نتقاو، ونزرزري من فيها جذيا. ใ น, ะ น, นาาสุรา ม, ม, มารยามพูด เ, เล่าพูดถึงผู้ที่มีสติปัญญากับผู้ที่ไม่มีสติปัญญาผู้ที่เขาใช้ปัญญาที่อัลลอฮ์ให้ ตามที่ที่ควรใช้กับผู้ที่ไม่ได้ใช้นีนสางทคมควรจะใช้เพราะว่าบอกว่าไงครับถึงเวลาเมื่อถึงโลกหน้าเนี่ยอย่างที่บอกคนสองคนน่ยที่เขาเตรียมเนี่ยพวกร้อยสติปัญญาทั้งคู่ในการตาเตรียมแต่ถึงเวลาครับเมื่อไปถึงโลกหน้าพี่น้องพวกเราทุกคนต้องเสี่ยงกับนรกหมดเลยนะพวกเราทุกคนต้องผ่านนรกกันหมดทุกคนนะพี่น้องต้องฝ่านรกกันทุกคนจะฝ่าแบบรอดหรือฝ่าแบบไม่รอด อยู่ที่ว่าเราใช้สติปัญญาในด้านไหนเพระาะเรกล่าววไงครับฟาวารบบิกาแต่ถ้าว่าขอสาบานวารบิกขอสาบานด้วยกับพระผู้วิบาลของพวกเจ้าพวกรัศมบานด้วยกับตัวของพวกเองและนะัชรันนาหุมถึงเวลาเราจะต้องเอาพวกเขามาต้อนมารวมกันอย่างแน่นอนซุมมาลนุเดรันนาหุมเฮาเละจฮันนามาจิซิยาแล้วเราเราก็จะเอาพวกเขามารวมกันรวมทั้งเชยตอ น, นี้พวกเราพูดถึงแบบผู้เป็นศรีัทธา เอามารวมเอาเอาต้องมารวมกันหมดนะครับทั้งผู้ไปเสียทธากับบรรดาเชยตอนเอามารวมกันแล้วเราก็จะแลกเขามาอยู่รอบๆนรกในสภาพของคนที่ต้องหลมลุกคานคือยืนไม่ไหวเดินกันไม่ไหวแล้วสภาพคือทุรักทุเลทรมานสุดๆแล้วหลังจากนั้นครับเราก็จะ ก, กระชากกลุ่มที่แบบว่าตอนหยุดยักรักกันมากใช่ไหมรักกันมากใช่ไหมสิ่งที่ผิดเนี่ยก็ไปว่าเป็นถูกสิ่งที่ถูกก็ว่าเป็นผิด รักแต่ทําสิ่งที่ไม่ดีชวนกันแต่ทาสิ่งที่ช่วยเหมือนกับว่ารักกันจริงใช่ไหมถือว่าเพราะกระชากออกแกะกันหมดเลยแล้วพระรัต์บอกเลยครับแล้วจะมีแล้วดูครับว่าใครที่เป็นคนที่ดื้อกับพระรัตน์ที่สุดคัดเกตเลยบรรดาคนที่เรวบรรดาคนที่ช่วหลายทั้งหรายซุมมาล้นะนู่นอะแลมุบิลลาดีละฮุมอวลาบิฮิบิฮาสซินียะซึ่งแน่นอนครับพระรัต์ย่อมรู้ดีที่สุดว่าใครในกลุ่มนั้นที่เร็วลายที่สุดช่วยลายที่สุด ว่าอิมมินกุมอิลาวาดิดูฮาพวกล้อกล่าวไว้ครับตอนแรกพวกเราพูดผู้เป็นศรัทธาใช่ไหมกับช้ยตอนใช่ไหมแล้วพวกเขากล่าวว่าไงครับแล้วไม่มีใครในหมู่ของพวกเจ้านอกจากจะต้องถูกนําให้ต้องฝ่านารกด้วยเช่นเดียวกันอย่างที่เราทราบสะพานซีรอดทุกคนต้องผ่านไปสะพานซีรอดคือเบื้องล่างคือนรกข้างหน้าคือสวรรค์ ถ้าใครผ่านสิรอสได้รอดได้ใดดเขาสวรรค์ถ้าไม่รอดลงไปในไฟนรกว่าอิมมินกุลอิลลาวะดิลูกนลาบิกะฮัตมะมักดียะซึ่งแน่นอนไม่มีใครในหมู่พวกเจ้านอกจากเขาจะต้องใช้เส้นทางนี้ผ่านมันไปซุมมานุนัชจิละดีนัสตาวันนรุดอรีมินฟิฮาจิซียะและแน่นอนเราจะให้การรอดผลเราจะช่วยให้รอดแกบรรดาผู้ที่เขา มีความสำรวมต่อเราผู้ที่เขาเก่งกลัวเราผู้ที่เขาใช้ตรงเนี้ยให้มันถูกที่ของมันใช้สติปัญญาในการกลัวอัลลอฮ์ใช้สติปัญญาในการรัพกพระอัลลอฮ์ใช้สติปัญญาในการที่จะหวังจากพระอัลลอฮ์ใช้สติปัญญาอย่างถูกต้องมันก็จะลิงไปยังหัวใจของเขาเชื่อมไปยังหัวใจของเขาเพื่อนแพี่น้องที่รักถ้าเราดูในะสิ่งที่พรัลลอฮ์สาบานทั้งหมดในกุลลานของพระองค์ ทุกสิ่งล้วนเป็นสิ่งที่สติปัญญาของมนุษย์นั้นไม่สามารถปฏิเสธได้ครับทุกสิ่งล้วนเป็นสิ่งที่มนุษย์นั้นย่อมต้องยอมรับถึงการสร้างสารรค์ของพวกเราย่อมต้องยอมรับว่ามันต้องมีผู้สร้างกลางคืนมันมาบันเอิญขนาดนี้ได้ยังไงธรรมชาติสร้างความฟุกให้เกิดค่ำคืนสร้างให้เกิดกลางวันอย่างนี้ฟุกๆอย่างนี้มันเป็นไปได้เชื่อได้จริงๆหรอ ถามว่าคนมีปัญญาจริงๆเนี่ยเขายอมรับได้หรือว่ามันบังเอิญกลางวันกลางคืนการที่สิ่งมีเป็นคู่และสิ่งมีเป็นขี่ยอมรับได้จริงเหรอพี่น้องไปดูทุกคําสาบานของผู้อาลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาในอัลกุรอานโดยเฉพาะถ้าเู้าลใช้คําว่าตรอจะเป็นการสาบานจะเป็นการบอกกำทรับหรือว่าสำทับให้มุสลิมเนี่ยได้คิดให้ได้ประหลาดใจว่าเป็นไปได้ยังไง ให้ได้ประทับใจให้ได้รู้ให้ได้ตระหนักให้ได้ยอมจำนนถึงผู้สร้างเพราะฉะนั้นสติปัญญาที่สมบูรณ์จะยอมรับในทุกการสาบานของผู้ลอสุบฮานหัวตาลาที่มีในคัมภีร์อัลกุรอานของพระองค์ครับนี่คือสัจธรรมนี่คือสัจธรรมไม่ว่าใครจะปฏิเสธในดุนยาอาคีรอเขาต้องยอมรับครับเหมือนกับที่ผู้ลอส์กล่าวไว้แล้วในอัลกุรอานถึงเวลาในวันเกียร์มาทุกคนยอมรับพูดเหมือนกันถ้าเรา มีปัญญาสักหน่อยเราก็คงไม่ต้องถูกลงโทษแบบนี้ขอโพระลอสสุภานุตราคุ้มครองพวกเราให้รอดพ้นจากผู้ที่มีสติปัญญาที่ไม่ได้ใช้ปัญญาของเขาในที่ที่ควรจะใช้ขอให้เรารอดพ้นจากการที่ใช้สีปัญญาเฉพาะในดุนยาขอให้เรานั้นใช้สีปัญญาให้รอบครอบให้รอบด้านอย่างแท้จริงครับผมคุณชายาสลา ม, มานะครับแล้วก็ขอบคุณสาหรับ Ooh, ทุกข้อมูลทุกความรู้ที่ได้รับวคุสลาบบุตรละวะบาระกาตูจษากุณละใครรอนครับสิ่งใดที j j ่ถ right right nope, ูกเท่าก็มาจากตัวละสุปานุวาตาลานะครับผมถ้าสิ่งใดที่ผิดพลาดนั้นก็มาจากตัวผมก็ทักทักกันได้เตือนกันได้ครับคุณฝนที่ตีรัตนะครับสลามมาเต็มเต็มเลยนะครับก็วารีคุสลาบบุตรละวะบาระกาตูครับผมคุณเอ่อรัสมีอับดุลลอัลฮัมดลาบาระกลอฟิกุมเจะฎากุณละขังครับแล้วก็อานัิสลามสลาบมานะครับ ก็ไว้เมุ่สักมรต่แล้วว่าบางแก้วแล้วก็จะ z a ุ u m u l l a h ค k อยร r a ครับผมอินชาอัลลอฮ์ครับด้วยความเมตตาของผู้รอดแล้วก็วัลลอฮุอาลลอฮ์ผู้รอดเท่านั้นที่รู้แต่ผมเชื่อมั่นว่าอินชาอัลลอฮ์หน้อยพวกเราทุกคนที่กำลังมาพูดคุยกันอยู่มาทําการศึกษาคําพูดของผู้รอดสุบานอัตตาเนี่ยทั้งในคอสของผมหรือคอสของอาจารย์ท่านเดกก็ตามเนี่ยอินชาอัลลอฮ์พวกเราทุกคนคือผู้ที่เจรินผู้ที่มีสติปัญญาอย่างแท้จริงเพราะเรา ต้องการที่จะขวนขวายสิ่งใดก็ตามที่ทําให้เรานั้นรอดพ้นจากความกดกิ้วของโพลสุบฮาเนหุบตาละเพราะนั้นอย่างไรสุดตัวเนี่ยวันนี้เราได้รู้แล้วว่าคําว่าปัญญาเนี่ยมันแปลว่าสิ่งที่ห้ามเจ้าตัวเจ้าของไม่ให้ไปเจอกับอันตรายหรือสิ่งที่จะมาทํำลายเขาเรียกว่าผู้ที่มีปัญญาไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายามุขไม่ทําสิ่งที่ว่าเป็นการคดโกงผู้อื่นไม่ทําร้ายผู้อื่นไม่ร่วงเกินผู้อื่นมีความอดทนมีความซื่อสัตย์ทั้งหมดนั้นต้องเริ่มมาจากการมีสติปัญญาแล้วก็ให้สติปัญญานั้นวควบกลุมอารมณ์เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่อารมณ์พี่น้องอารมณ์ภาษาหลับใช้คําว่าฮาวาสติปัญญาเราบอกว่าใช้คําว่าฮิชหรือว่าอักลุนอักลุนคือสิ่งที่ห้ามสิ่งที่ป้องกันฮาวาคือสิ่งที่ ต่ำสิ่งที่ต่ําต้อยพี่น้องเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราให้ของต่ํามันมาอยู่เหนือของสูงพี่น้องว่าเราจะรอดได้ยังไงเมื่อไหรที่เราปล่อยให้ความโกรธมันมาอยู่เหนือเหตุผลเมื่อเราปล่อยให้ความใคร่มาอยู่เหนือเหตุผลเมื่อไหรก็ตามที่เราปล่อยให้ความอยากความป่าทถนาการอยากจะครอบครองความเกลียดชังความชอบพอหรืออะไรก็ตามความกลัวความเหงาความอะไรก็ตามเมื่อไหรก็ตามที่เราให้ สิ่งที่มันต้องอยู่ต่ำๆเนี่ยเรายกมันให้มันอยู่สูงเนี่ยเมื่อ น, นั้นพี่น้องไม่มีทางรอดหรอไม่มีทางมีความสุขหรอพี่น้องลองตรวจสอบดูผมก็ต้องตรวจสอบดูเช่นเดียวกันลองตรวจสอบดูว่าวันเนี่ยที่เรามีทุกข์เนี่ยเพราะเราเอาของต่ำไปไว้ที่สูงใช่หรือเปล่าเราไม่ได้เอากะลามุล้อไม่ได้เอาคำพูดของพวกเราไปไว้สูงกว่ามันใช่หรือเปล่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อารมณ์อยู่สูงกว่าเมื่อนั้นมีแต่ความหายหน้ามีแต่ความเศร้าโศกเสีสสยใจมีแต่ความกลัวมีแต่ความ ก, มามกังวล ถ้าชีวิตของเรามีแต่ความกังวลมีแต่ความกลัวมีแต่ความเสียใจมีแต่ความท้อมีแต่ความทุกข์ขอให้รู้เลยว่าเพราะสิ่งที่ต่าสิ่งที่ควรจะอยู่ต่ำเนี่ยมันไปอยู่ศูนย์แล้วแล้วปัญญาของเราเนี่ยเราอาจจะไม่มีมันตามที่ควรจะมีเราอาจจะไม่ได้ใช้มันตามที่ควรจะมีฟังเราอาจจะแรงแต่มันเป็นสัจธรรมที่เราต้องยอมรับให้ได้ครับ ความจริงหลายครั้งเป็นสิ่งที่ขมขื่นซึ่งท่านนาบีมูฮัมมัดสลอมลอฮอะลลอซาม ไ, ได้บอกว่ า, ก, วาวกุลิฮักไวเราการนำมุรลนมจนพู้ความจริงถึงแม้ว่ามันจะขมขื่นหรือถึงแม้ว่ามันจะเข้าตัวเราก็ตามมันคือศัจริธรรมที่เราต้องยอมรับไปได้ครับพี่น้องกลับมาดูที่การสาบานของผู้ลอสุบฮานหัวตราห์ต่อครับผมฮัลฟีเดลิกาคอสเมลลีดีฮิตสำนวนนี้ในภาษาหลับแปลได้อย่างง้อย2ความหมายด้วยกันผมจึงบอกว่ากุริฮานเป็นไปไม่ได้ที่เราจะถอดความหมายเป็นภาษาใดก็ตามในโลก แล้วให้ได้กระชับให้ได้สวยงามเนี่ยเป็นไปไม่ได้ครับเราต้องมาทําการศึกษามาพูดคุยกันนี่แหละแล้วต้องศึกษาห ล, หลายๆคนหมายความว่าพี่น้องท่านใดก็ตามสมมติตอนเนี่ยเราลังพูดคุยสุลตุลฟัชไม่ใช่ว่าถ้าพี่น้องฟังจากผมเสร็จแล้วสุลตุลฟัชแปบลบว่าพี่น้องเข้าใจสุลตุลฟัชหมดแล้วไม่ต้องไปเลยนกับใครแล้วไม่ใช่ใครก็ตามที่มาพูดคุยที่ได้มาฟังผมตอนเนี้ยถ้าเราพูดคุยกันในสุลตุลฟัชเนี่ย ไม่ว่าจะมีกี่ตอนก็ตามขอยหรือว่ามันเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวความหมายหนึ่งของสุรทุมฟัดยังมีอีกหลายความหมายยังมีอีกหลายนัยยะยังมีอีกหลายความดีงามที่เราจะได้รับจากอาจารย์อีกหลายหลายท่านอย่ายึดติดที่อาจารย์ท่านเดียวอย่าจบที่อาจารย์ท่านเดียวแต่ที่แน่ๆก็คือต้องจบที่อาจารย์ที่สอนสิ่งที่ถูกต้องต้องสอนสิ่งที่มาจากกิตบุรุและสุนนะเท่านั้นอันนี้คือที่ชัดเจน แต่เรามั่นใจว่าอาจารย์ท่านนี้สอนสิ่งที่ถูกต้องไปเรียนกับท่านถึงแม้ว่าสุร้อนนี้เราจะฟังกี่รอบ ก, ก็ตามเพราะพี่น้องเชื่อครับเราจะได้สาระเพิ่มขึ้นถึงแม้ในสุร้อนที่เราเข้าใจว่าเราเข้าใจดีแล้วก็ตามสุร้อนฟาติฮะบางทีเราฟังมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่เรายิ่งได้สาระมากขึ้นเรื่อยๆสุร้อนอิคลาสอายะกุรซีเช่นเดียวกันกันกบสุร้อนตุลฟัดเพราะฉะนั้นฟังเยอะๆครับฟังหลายๆท่านครับผม ส่งเสริมสนับสนุนให้พวกเราทุกคนนั้นทําการศึกษากับอาจารย์หลายๆท่านเพื่อที่ความคิดของเราเนี่ยมันจะได้กว้างแต่ย้ําว่าต้องตรวจสอบครูบาอาจารย์ที่เราจะเรียนด้วยให้ดีๆ ด, ด้วยเช่นเดียวกันครับผมเมื่อกี้เราคุยกันถึงตรงไหนครับเราบอกว่าในอายักษ์เนี่ยท่ฟีเดลิก้าคสมุน ล, ลีฮิตเนี่ยแปลได้2ความหมายด้วยกันความหมายแรกพูดไปแล้ว คือความหมายแรกเนี่ยจะสื่อในนัยยะทํานองที่บอกว่าในการสัญญาในการสาบานดังกล่าวเนี่ยที่บริรักษสาบานาใน4อย่างเนี่ยล้วนมีข้อคิดให้กับผู้ที่มีสติปัญญาการ น, นั้นหรือหรืออาจจะแปลได้ ว, ว่าเป็นสิ่งที่ผู้มีสีิปัญญาเนี่ยต้องยอมจํานนอย่างแท้จริงไม่ใช่การ น, นั้นหรือซึ่งความหมายนี้ชัดเจนถูกไหมครับถ้าผู้มีสติปัญญาอย่างแท้จริงเมื่อเขามาไข ค, ควรแอคแร์ทั้ง4อายะเนี่ย เขาจะเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงสติปัญญาของเขาจะทํางานเพราะพี่น้องครับการเห็นเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมีการเห็นอยู่สามแบบนะการเห็นจะมีสามแบบเหมือนกับว่าร่างกายมนุษย์หรือตัวของเราเนี่ยประกอบไปด้วยสามอย่างองค์ประกอบหลักสามอย่างเรามีร่างกายเรามีสติปัญญาซึ่งรวมความนึกคิดกับหัวใจไว้แล้วเราก็มีวิญญาณเวลาเราเห็นอะไรสักอย่างเนี่ยมีสามอย่างที่เราจะใช้ในการมองดู อันแรกคือตาพี่น้องลองมองท้องฟ้าพี่น้องก็เห็นท้องฟ้าอ่าตอนนี้มีเมฆอ่ะเดี๋ยวน่าจะมีฝนอ่ะโยงกับประสบการณ์เริ่มมีความคิดเข้ามาล้แต่ถ้ามองเฉยเฉก็เป็นท้องฟ้าจะเป็นสีฟ้าเป็นสีคลามเป็นสีขาวเป็นสีแดงเป็นสีส้มเป็นสีคขำเป็นสีดํานี่คือใช้ตาดูเพราะฉะนั้นการรับรู้ของตาเนี่ยเท่าที่เห็นเห็นเท่าไหร่แค่นั้นจบแค่นั้นแต่ผู้ที่เขาดูโดยใช้ความคิดใช้อักลุณของเขาประกอบ เขาจะได้ข้อมูลที่มากขึ้นอาจจะเป็นประสบการณ์ที่เขาผ่านมาเอ่าท้องฟ้าอย่างนี้แปลว่าเดี๋ยวสักพักฝนน่าจะตกอินเชา้าแล้วอันนี้คือใช้ความคิดเข้ามาแต่ถ้าความคิดที่สมบูรณ์เป็นยังไงครับมองปุ๊บสุภาอัลลอฮ์อัลลอฮ์สร้างมาแบบนี้ปกติถ้าพัลเราให้มาเป็นแบบนแ เ, นเนี้ยแปลว่าเดี๋ยวฝนน่าจะตกซึ่งการสร้างของอัลลอฮ์สร้างฟากฟ้ามาใหญ่โตขนาดนี้แล้วทําไมฉันคิดว่าฉันสูงส่งฉันยังสูงไปไม่ถึงฟากฟ้าเลย เธอไม่เห็นคิดว่าทรัพย์สินชนิดมากมายมหาศาลทั้งๆที่ว่าท้อ ง, ง, งฟ้าของผู้เลาะใหญ่กว่านั้นอีกนี่คือผู้ที่ดูโดยใช้ความคิดที่สมบูรณ์แล้วนั่นแหละคือเขาได้ใช้จิตวิญญาณของเขาในการมองดูด้วยเพื่อนมุสลิมเราเวลาจะดูอะไรเนี่ยอย่าจบแค่ตาอย่าจบแค่การดูของตาให้มันต่อไปถึงสมองให้มันต่อไปถึงอักรุนแล้วให้มันต่อไปถึงรู้ให้มันต่อไปถึงวิญญาณของเรานั่นแหละคือการมองที่สมบูรณ์ นั่นแหละคือการมองที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นครับที่พลอเลาะบอกเนี่ยที่พลอเลสาบานเนี่ยสอย่างเนี่ยมีเช้ามีกลางคืนมี10คืนมีเลขขีมีเลขขี้กับเลขคู่4อย่างที่พลอเลาะบอกเนี่ยถ้าเรามองด้วยตาด้วยประสบการณ์ปกติก็มองเฉยเฉไม่ได้เพิ่มอิ้มหานอะไรไม่ได้คิดอะไรพอเราใช้อักลุนเข้ามาแค่นั้นพี่น้องที่เราพูดคุยกันมาเนี่ยประมาณ4ีตอนห้าตอนเนี่ย เริ่มมีการใช้อักลุนเข้ามามีการใช้รั้วเข้ามามองโดยไข้ควรมองแล้วยงไปให้ถึงภาพรว ม, มครับมองเห็นภาพใหญ่พี่น้องไม่ใช่มองแค่ภาพเล็กมองภาพใหญ่ของดุนยาความเศร้าหลายๆคนบางครั้งครับแค่เราดูท้องฟ้าเนี่ยความเศร้าเราหายเลยถต่ว่าทำไมท้องฟ้ามันช่วยอะไรได้ท้องฟ้าช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกแต่เมื่อเรามองด้วยกับสติปัญญาของผู้ศรัทธา เรามองปุ๊บนี่คือผู้ที่สร้างนี่คือสิ่งที่ผู้ที่สร้างได้สร้างมันมาพงดูแลมันแล้วพงว ก, ก็ดูแลเราพงให้ความเมตตาของพง์แก่พวกเราผ่านจากสิ่งเหล่านี้จากสร้างจากสิ่งที่พงษทรงสร้างเมื่อพงษช่วยเหลือเรามาตลอดแล้วเราจะเศร้าไปทําไมละ่ะความเศร้ามันอยู่แค่ชั่วปเดี๋ยวประเดาเดี๋ยวพง ก, ก็จะตอบแทนเราเห็นไหมครับเรามองสิ่งที่พงษ์ล้อสร้างเราคิดถึงผู้สร้างเมื่อเราคิดถึงผู้สร้างอี إ ي ่านเราตาม นี่คือการมองโดยใช้การมองอย่างครบถ้วนที่ผู้ศรัทธาเราควรจะมองเพราะนั้นในการสาบานเนี่ยที่พระว่าบอกว่าการสาบานดังกล่าวเนี่ยผู้ที่มีสติปัญญาสติปัญญายอย่างแท้จริงเนี่ยจะปฏิเสธมันได้หรอไม่ได้หรอกเพราะเรามองแล้วเราคิดอย่างใขวควรอย่างท่องแท้เพราะนั้นความหมายชัดเจนเพราะนั้นให้ฟีได้แก่กสิมลิตีเฮ็ดนี่คือความหมายแรกคือเป็นไปนไม่ได้ที่ผู้ศรัทธาจะปฏิเสธในสิ่งใดก็ตามที่พวกนั้นสาบาน เป็นไปไม่ได้ที่ผู้ศรัทธาเมื่อรู้จก Allah, mm ักอัลลอฮ์เมื่อรู้จักการสร้างของพระองค์ mm hmm. แล้วเขาจะทําชีริกเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่ผู้ศรัทธาเนี่ยจะไปหวังจากสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ถ้าเกิดเขารู้ถึงความมิเหยียดของ mm hmm. พระองค์เพราะฉะนั้นแค่ตาที่เราดูเนี่ยตรวจสอบอีหมานเราได้เลยว่าอีหมานของเราแค่ไหนถ้าดูแล้วก็เห็นแค่นั้นเออมันสวยดีมันไม่สวยดีจบตาเราก็มีแค่นั้นล่ะครับผมเพราะฉะนั้นดูให้ถ่องแท้ดูให้เห็นจริงๆรพี่น้อง นี่คือความหมายแรกความหมายที่ทำใเราเห็นความยิ่งใหญ่ของลอร์ความหมายที่2 ค, ค, ครับ halfe da ligar cosumus ligis แปลได้เช่นเดียวกันแต่ความหมายต้องขยายความแปลได้อีกอย่างหนึ่งก็คือมีผู้มีสติปัญญาคนใดบ้างที่ได้สาบานกับสิ่งเหล่านี้มีผู้มีสติปัญญาคนใดบ้างแหะที่ได้สาบานกับสิ่งเหล่านี้ h a l f i da l i a o s m การสาบา น, านดั ง, ดงกล่าวเนี่ย ลีดีฮิตเป็นของใครบ้างไหมมีใครได้สาบานกับสิ่งต่างๆเหล่านี้บ้างไหมยอย่างที่เราทราบครับท่านอับดุลเบีมม๋ยมอัลมาสซุลอสซบอกไงนะครับมันกนะ่อะฮาลิฟน์เลญะฮ์ ล, ลิบินและใครก็ตามที่สาบานเขาจงสาบานต่อเราเท่านั้นผมก็เลยว่าถ้าแปลในความหมายที่สองต้องมาอธิบายความนิดหนึ่งก็คือคําพูดที่โวล่ า, าบอกว่ามีใครบ้างที่ได้สาบานกับสิ่งเหล่านี้เมื่อเรารู้อยู่แล้วว่ามุสลิมสาบานกับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ แล้วก็มาดูว่าทําไมผู้เล่าถึงสาบานกับสิ่งเหล่านี้ผู้เล่าสาบานกับสิ่งเหล่านี้เพื่อให้มนุษย์ตระหนักถึงความมิ่งใหญ่ของพระว่าก<อ>็แปลว่าผู้เล่าบอกว่าไงครับในบรรดาผู้มีสติปัญญาเนี่ยไม่มีใครเลยเหนือที่เอาสิ่งเหล่าเนี้ไปใช้ในการบอกกล่าวมนุษย์ให้เขารู้ถึงการมีอยู่ของผู้สร้างมีใครบ้างล่ะที่มีสติปัญญาอย่างแท้จริงที่เป็นผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงที่รู้จักผู้เล่าอย่างแท้จริงที่เอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ผู้เล่าสร้างเนี่ย ไปบอกกับผู้อื่นให้เขาได้เข้าใจพระบรมมากยิ่งขึ้นเราได้เคยไปบอกกับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ว่าดูสิการสร้างสารรค์ของพระเจ้าท้องฟ้าที่งดงามที่ใหญ่โตที่มันดูเหมือนจะเป็นหลังคาที่มันไม่ใช่หลังคาเนี่ยมันเกิดมาด้วยความบังเอิญได้กันนั้นหรือที่การมีกลางวันที่มีกลางมีกลางคืนมันบังเอิญเกิดขึ้นมาได้กันนั้นหรือแปลว่าพ ร, าา ร, ระบรมศาสดาบอกให้กับผู้มีสติปัญญาคือมุสลิมทั้งหลายที่ศรัทธาต่อพระองค์อย่างแท้จริง ว่าดูสิในสิ่งทั้งหมดที่พลอร์สาบานเนี่ยสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสาระที่จะทําให้ผู้ที่มีปัญญาคนอื่นยอมรับในพลอร์สุบฮานาหนูาวะตาอาลาได้เพราะฉะนั้น Body. นี่คือความหมายที่สองซึ่งมันก็ยังคงเกี่ยวพันกับรีจีใหเชรินผู้ที่มีสติปัญญาที่มันห้ามเขาจากการทําสิ่งที่จะเป็นอันตรายกับตัวเขาได้พี่น้องครับมีครั้งหนึ่งซอบ้าครับได้มาหาท่านอับดุมฮัมหมัดสลาลาฮิสัลัมแล้วก็พูดเรื่องอะไรสักอย่างนี่แหละ แล้วท่านก็ได้หลุดพูดออกมาคราว่าอันเนี้ยมันคงเป็นไ ป, นปนไม่ได้หรอกหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งอิละมาชาอัลลอฮฺบะชิตานอกจากอัลลอฮฺและเราสูลจะประสงค์เท่านั้นแหละมันถึงจะเป็นไปได้นอกจากอัลลอฮฺและเราซูญจะประสงค์เท่านั้นแหละมันถึงจะเป็นไปได้ท่านนาบีมูฮัมมัดสลอฮฺวะลิซัมที่นั่งอยู่ในตอนนั้นครับโกรธจัดครับโกรธจัดเลยแล้วก็บอกว่านี่เธอจะเอาฉันไปอยู่ในระดับเดียวกับอ AH นะัลลอฮฺเลยเธอจะตั้งพาคีกับอ AH นะัลลอฮฺเลย ถ้าเธอจะพูดให้พูดว่าอินลามาชาอัลลอฮ์นอกจากว่าลอตจะประสงค์หรือถ้าบางที่เราอาจจะรู้สึกว่ามันเกี่ยวพันกับเขาด้วยคือเรื่องบางเรื่องเราอาจจะบอกว่าการตัดสินใจยอยู่ที่เขาแล้วเราอยากจะพูดประมาณเนี่ยท่านอาบีบอกให้พูดว่าอยงครับหรือให้คุณพูดว่าอินลาอิยาชาลอนอกจากพวกลอตจะประสงค์หลังจากนั้นถ้าหากว่าคุณต้องการ คือให้ลดระดับลงมาอย่าให้อยู่ระดับเดียวกับอัลลอฮฺอย่าบอกว่าหากอัลลอฮฺแล้วเขาต้องการมันก็คงจะเกิดขึ้นแต่ให้บอกว่านอกจากผู้อัลลอฮฺหลังจากนั้นหากเขาจะทําให้มันเกิดมันก็ควรจะเกิดให้แยกระดับกันให้ชัดเจนนะครับพี่น้องให้แยกระดับกันให้ชัดเจนซึ่งแน่นอนครับ ลิบันชาอามินกุมอยาสต์รีมว่มันจชั่วนาอิลลาอยาชาอัลลอฮูรับุลอาลามินผูลสุบฮะตราก็กล่าวในสุนัตกวินอยู่แล้วว่าไม่ว่าความปรารถนาใดของเขาก็ตามย่อบไม่มีทางจะเกิดขึ้นได้ถ้าผก้หล่อไม่ปรารถนาก็แปลว่าทั้งหลายทั้งมวลนั้นกลับไปหาความปรารถนาของผู้หล่อสุบฮานะฮูอัตตลากลับไปหามาชยาของผู้หล่อสุบฮานะฮูตลาครับเพราะนั้นก็พี่น้องที่รักยินครับในเรื่องของความปรารถนาพี่น้องก็อย่าลืมนะบางครั้งาจะพูดอาจจะ บอกว่าแล้วแต่เธอแล้วแต่เธอจะว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยสิ่งที่มุสลิมควรจะพูดก็คืออินชาลอ่ะหากพวกเราจะประสงค์หลังจากนั้นมันก็แล้วแต่เธอนะถ้าเธอจะไปฉันก็ไปด้วยถ้าเธอไม่ไปฉันก็ไม่ไปนี่คือมารยาทของมุสลิมผู้ที่มีสติปัญญาอย่างแท้จริงครับผมเพราะนั้นวันนี้ครับเราคุยกันหอวปากของคอในประเด็นที่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับอาจจะใช้เวลาไม่ยาวมากแต่เราคุยกันถึงไฮจินสติปัญญาที่ ป้องเจ้าของมันให้รอดพ้นจากหายนะต่างๆทั้งในดุนยาแล้วก็อาคียร์รเพราะนั้นพี่น้องครับมองก็มองให้ขาดมองก็มองให้ชัดเจนมองก็มองในภาพรวมใหญ่ๆแล้วชีวิตของเราจะมีความสุขแล้วจะเป็นแบบคนแรกที่ผมยกตัวอย่างในสองคนเนี่ยคนแรกที่เขารู้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงๆๆอะ่ะมันคือเป้าหมายสุดท้ายตอนนี้มันเป็นแค่จุดเตรียมสเสบียงไฟและความทุกข์ที่เกิดตอนนี้ความสุขที่เกิดตอนนี้ ความทรมานที่เกิดตอนนี้ความเหงาที่เกิดตอนนี้ความเศร้าที่เกิดตอนนี้ความสูญเสียที่เกิดตอนนี้มันก็เป็นเหมือนกับหนามเล็กๆที่มันตำใส่นิ้วของเราถ้าเราไม่ไปซีเรียสอะไรกับมันเราก็ถอนมันออกได้ง่ายๆเอารถทดสอบฉันนิเวเพราะเราจะตอบแทนฉันเองเดี๋ยวระใช้ความช่วยเหลือฉันเองเดี๋ยวมันจะมีทางออกเดี๋ยวชีวิตจะผ่านไปเดี๋ยวมันก็จบไป มองแบบทิมซีมองแล้วปัญหาทั้งหมดจะใหญ่แค่ไหนก็ตามมันก็มเป็นเหมือนแค่เสี้ยนที่เราดึงออกแล้วมันก็จบอย่าให้ดุจยามันเป็นเสี้ยนที่มันปักแล้วเราก็ได้แต่บ่นว่าเจ็บจังเลยเนี่ยฉันต้องจนให้ความสําคัญกับมันทุ่มเทความคิดๆแต่แต่มันทั้งๆที่เรายังมีงานอีกมากมายที่รอเราอยู่อย่าให้ดุจยานะั้นมันเป็นอุปสรรคอย่าให้ดุจยานะั้นมันเป็นชะง น, นผาที่มันมาห้ามเราจากการที่จะ ไปพบกับผู้ล้อสุภานลลาในสภาพของบ่าวที่ผู้ล้อนรักอย่าลืมข้พาพุทธบอกว่าไงครับเจอชนงนผาก็ให้ปีนข้ามมันไปซะฝันักก็ตาหามันรักบ็ไแล้วทําไมจะไม่ปีนข้ามฉนวนผาละ่ะดุนยามันดูเหมือนทรมานมันดูเหมือนลําบากแต่ถึงเวลามันก็จบเราเป็นคนดีมันก็จบเราจะเป็นคนคนไม่ดีมันก็จบเราจะเตรียมเสาะแสวงหาความพร้อมแค่ในดุนยาก็ตามถึงเวลาล้อเจ้าเราไปผู้ล้อก็กระชากเราไปเลย พ่อเล้ะจะไม่มาดูมาลลกินมุสจะไม่มาดูเลยนะครับว่าโอ้นี่มันเหนื่อยเตรียมมาตั้งยี่สิบปีให้มันได้สุกก่อนสัก5้าวันค่าเก็บชีวิตมันไม่ถ้าถึงเวลาปุ๊บวินาทีเดียวจะไม่ล่าช้าจะไม่มีทําอะไรล่วงเกินแม้แต่จุวินาทีเดียวก็ไม่บีทุกอย่างตรงตามเวลาของมันเพราะฉะนั้นพี่น้องข่าวค่าวที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมาจะเป็นผับอะไรที่ไฟไหม้ที่อะไรที่เกิดขึ้นแน่นอนครับการจากไปเนะี่ยเคยญาติเสียใจเป็นแต่พี่น้องคิดตัว ถ้ามันเป็นเราล่ะไม่มีใครรู้พาอลอสจะเอาเราออกไปจากดุนยาตอนที่เรากาลังละหมาดอัลฮามดุลิลละตอนที่เรากาลังทำฮัจจ์ตอนที่ากาลังทำอุมรหรือตอนที่เรากาลังอยู่ในผับหรือตอนที่เรากาลังนินทาคนอื่นผมไม่รู้แล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยนอกจากพอลอสซุบฮาหนะฮูาวาตาอัลาเพราะนั้นฮัลฟีดะลิกกัสามุลิดีฮิ ในการสาบานดังกล่าวนั้นมันไม่ใช่เป็นประเด็นสาระให้กับผู้ที่มีสี่ปัญญาที่ครบถ้วนกันนั่นหรือครับก็ขอทักทายพี่น้องที่รักนะครับท่านที่สละมาพี่วณีสลามมาก็ไว้คุณสลามรุ่งล้อว่าบารักาตู้ครับคุณปัญญาดีเหลือนะครับสละมาสลมทุกท่านเดีวยวก็ไว้คุณสลามรุ่งล้อบารักาตุแล้วก็คุณสมหวังฮานับนะครับสละมาก็ไว้คุสละบารุคุณล้อบารักาตูแล้วก็บอกว่าเราไม่อามีเนี่ยก็จะซากรุ่งล้อหุ้ยใครรังครับผมท่านได้สละมาผมมี็นข้อความ ขอมทุกท่านด้วยครับผมแล้วก็ขอด้วาจากพวกลอสซูปฮานัวตายอะไรครับให้พวกเราทุกคนนั้นเป็นดูเฮจิรินให้พวกเรานั้นเป็นคนที่มีสติปัญญาที่มันปกป้องคุ้มครองพวกเราให้รอดพ้นจากไห้นะจริงๆแล้วก็ขอให้มันนั้นสามารถควบคุมฮาวาอารมณ์ความต้องการไฟต่ําของเราได้ไม่ผิดที่จะรักไม่ผิดที่จะโกรธไม่ผิดที่จะเกลียดไม่ผิดที่จะหวังไม่ผิดที่จะปรารถนาะอารมณ์ต่างๆที่พลอสสร้างเรามาเนี่ยไม่ผิดที่จะมี มันจะผิดเมื่อใดก็ตามที่เราเอามันไปใช้ในด้านที่ผิดครับผมอัลก <an> ูลกาลีฮานาวะสักรุลลอฮ์ะลีวะละกุมวาลิซัลมุสลิมีนะมินคนละมินกนลดัมบินวะสักฟิรูฮฺอินน้าฮฺฮอฮฺฮฺฮฺฮหฮฺฮฺฮฺฮฺฮฺฮฺฮฺฮามฺฮฺฮฺฮฺอฺฮฺฮฺฮฺฮฺฮฺาฺฮฺฮฺฮฺฮฺฮฺฮฺฮฺฮฺฮฺฮฺฮฺฮฺฮฺฮฺฮฺฮฺฮฺฮฺฮฺ กลุ่มชนของอาร์ตเป็นยังไงก็ไปคุย ก, นนย ก, นากาันครั้นต่อไปอินช้าแล้วครับสไาม์มีกุรอบทุ่งแล้วว่าบริการทุกครับ